เห็นจะไม่มีอะไรเกินการท่องบนภาวนาว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแต่เท่าที่ฉันเห็นด้วยตาเปล่านั้นบางคนภาวนาอยู่เกือบสิบปียังหน้าตาเฮี้ยมเกลียมอยู่เหมือนเดิมเกิดเรื่องเกิดราวแล้วยังบงเบ้งได้เท่าคนมีโทสะแรงทั้งหลายอยู่ดีฉะนั้นเพียงการสวดด้วยปาก